ดนตรีไทยครบสองชั่วโมงแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับบ้านครูจำนงและพันยาเดินออกมาส่งถึงปากทางหนุ่มน้อยยกมือไหว้ลาคนทั้งสองอีกครั้งแล้วเดินจากมาความรู้สึกว่าปลิววันไหวคล้ายกับว่าจะไม่มีโอกาสกลับมายังที่แห่งนี้อีกขณะเดินกลับบ้านพันยาครูจำนงเ อ, อ่ยขึ้นว่า พ่หนุ่มคนนี้แก่น่ารักดีนะคะคุณพี่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะไปลามาไหว้เป็นบุญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีลูกหลานดีอย่างนี้เธอกล่าวชมไม่ขาดปากเป็นบุญของผมด้วยตั้งแต่มีลูกศิษย์ ม, มาก็เพิ่งจะมีคนนี้แหละที่เยี่ยมกว่าเพื่อนฝีมือตีรนาฏของแกหาตัวจับยากจริงๆ คงจะได้นิสัยปัจจัยมาจากคุณปู่หลวงธาราท่านเก่งทางตีระนาดในตำบลบางแวกเนี่ยไม่มีใครสู้ท่านได้ครูจำนงบอกพันยาแต่วันนี้แกดูแปลกๆไปนะคะถ้าทางขลึมๆง่อยๆยังไงพีก่กนพันยาครูจำนงแอบสังเกตคงจะคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดกระมังเห็นว่าเป็นห่วงยายซึ่งอายุมากแล้ว ป่านนี้คุณยายก็คงคิดถึงหลานไม่แพ้กันนี่แหละนะพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าความพรัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ครูจำนงทอดถอนใจพรุ่งนี้ดิฉันจะทำขนมอร่อยๆอไว้ให้แกเอแต่รู้สึกสังหรใจยังไงพี่กลมันเหมือนกับว่าจะไม่ได้พบกันอีกหวไหลนะไปเข้าบ้านกันเถอะ กองทัพยุงไล่ลังมาแล้วเขาชี้ไปที่ฝูงยุงซึ่งกำลังบินว่อนอยู่เหนือศีรษะพัญญาบนศีรษะคุณพี่ก็ดำเป็นก้อนเลยเรารีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างดีกว่าแล้วสองสามีพัญญาก็พากันเข้าไปในบ้านเพื่อหนีกองทัพยุง หนุ่มเจริญมาถึงท่าเรือหน้าวัดตโนดไม่เห็นนายแรมจอดเรืออยู่เช่นทุกวันก็ใจหายแต่วันเพิ่งจะรับขอบฟ้าอีกไม่นานความมืดก็จะแผ่ตัวเข้าปกคลุมทั่วคุ้งน้ำหนุ่มน้อยรู้สึกหิวประกอบกับความเหนื่อยที่เดินมาอย่างเร่งรีบกว่าทุกวันด้วยนึกถึงหลวงตาวัดตโนดที่มีเรื่องราวกับแกกลางทาง ปานนี้ตะโจนเท่าอาจวางแผนจ้างคนมาดักทำร้ายเขาความกลัวทําให้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเมื่อมาถึงท่าน้ำจึงทั้งเหนื่อยทั้งหิวหนุ่มน้อยรออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเรือก็ยังไม่มาความเหนื่อยล้าทําให้พลอยหลับไปบนศาลาท่าน้านั่นเองยุงฝูงใหญ่พากันบินมากัดกินเลือดเด็กหนุ่มรู้สึกราคาญ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 พวกมันคงมีกันประมาณสิบกว่าคนต่างรุมซัดเขาคนละหนุกคนละหนับจนเขางงเป็นไก่ตาแตกอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเขาหักหลบเป็นพลวันพลางยกมือไหว้ปลกุกปลกุกเฮ้ยพอเถอะสงสารมันวะเสียงคนหนึ่งบอกอย่าไปสงสารมันไอ้นี่มันร้ายกาดมากคืนปล่อยมันไป มันจะกลับมาเล่นงานพวกเองเป็นเสียงหลงตาวัตโนดซึ่งเขาจำได้ติดหูความโกรธตะจนเท่าในร่างพระทำให้เขาลืมตายลุกขึ้นชี้หน้าด่าคนที่ยินบงการบรรดา ล, ลูกสมุนหยุดตะลุมบอลชั่วคราวคุณมันชั่วบวชทำไมให้สีผ้าเหลืองตายไปคุณต้องตกนรกผมจะแช่งให้คุณตกนรก ถึงตอนนี้เขาอยากให้นรกมีจริงแต่โจนเท่าจะได้ไปเกิดที่นั่นยังจะปากดีวันนี้มึงตายแน่เอาพวกเองรูมันให้ตายอย่าไว้ชีวิตมันสิ้นเสียงสั่งของหลวงตาสิทธิ์วัดสิบกว่าคนก็กรูกันเข้ามาทำร้ายเขาอีกหนุ่มน้อยเห็นว่าจะต้องตายแน่จึงสู้อย่างไม่คิดชีวิตเขาทั้งเตะทั้งถีบ เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาจนเจ้าพวกนั้นเจ็บตัวไปตามๆกันต่างคนต่างโกรธแค้นถึงกับจะฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแต่แล้วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟหนุ่มน้อยถูกพวกมันรุมซ้อมจนระบมไปทั้งร่างกำลังคิดจะวิ่งไปที่แพรแล้วกระโจนน้ำหนีตาก็เหลือบไปเห็นโจรเท่าชักมีดพกออกจากฝักส่งให้ลูกสมุน พลังกำชับเอาเลยแทงมันให้ตายแล้วโยนลงน้ำไปความกลัวตายทําให้หนุ่มน้อยวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตลูกสมุนโจนเท่าไล่กวดตามเจ้าคนถือมีดวิ่งนำหน้าโจรจะถึงตัวเขาคนถูกไล่กวดวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนขณะจิตประวัติไปถึงยายเขาคงไม่มีโอกาสได้กลับไปหายายอีกยายจ๋า ช่วยผมด้วยเขาร้องเสียงหลงเมื่อเจาะหมอนั่นเงื้อมมีดขึ้นสุดแขนกำลังจะ ก, กระโจนลงน้ำก็ร okay. ู้สึกเหมือนมีมือมาฉุดลงไปจากนั้นก็ไม่รู้อะไรอีกด้วยสัมปชัญญะดับวูบลงนายหมันกลับจากนำมะพร้าวไปแลกข้าวตามบ้านภายเรือผ่านมาเห็นคนถูกรุมทำร้ายจึงเข้าไปช่วยไว้ทัน เ้าจุดเด็กหนุ่มลงเรือแล้วใช้ไม้พายฟาดเจ้าคนที่กำลังจะจ้วงแทงคนไม่มีทางสู้เห็นภิกษุชารายืนบงการอยู่จึงชี้หน้าด่าไอ้จิบหายยืนดูคนถูกทำร้ายอยู่ได้กูจะไปฟ้องพระสังฆราชให้จับมึงศึกโจรเท่าในร่างพระรู้สึกกลัวผิดที่มีคนมาเห็นเหตุการณ์จึงเดินก้มหน้างุดงดเข้าวัดไป โดยไม่เถียงสักคำพวกลูกสมุนเห็นหัวหน้าถอยก็พากันล่าทับเพราะต่างก็เจ็บตัวไปตำามกันเจ้าหนุ่มหอมแห้งคนนั้นไม่ได้แรงน้อยอย่างที่คิดตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นคนผอมแห้งแรงมากนี่ถ้าพวกเขามีน้อยกว่านี้คงต้องแพ้มันนายหมันรีบพายเรือพาหนุ่มน้อย ที่นอนสิ้นสติอยู่ในเรือ ก, กลับบ้านของตนซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสวนทางคลองบ้านอ้อยอยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตหรือหมดลมแล้วจึงเอื้อมมือไปจับที่ผจรใจชื้นขึ้นเมื่อรู้ว่าเขายังไม่ตายเพราะที่ผจรยังเต้นตุกตุกเกือบชั่วโมงจึงถึงบ้านเขานำเรือเข้ามาจอดไว้ในลําประดงแล้วรีบวิ่งเข้าสวน ไปเรียกลูกๆมาช่วยกันหามคนเจ็บเข้าบ้านแสงไฟจากตะเกียงรัว้วทําให้เขาเห็นหน้าซีดเซียวของคนเจ็บมีรอยฟกช้ำดําเขียวตามเนื้อตัวและใบหน้าที่จมูกและปากมีเลือดติดอยู่เขามองร่างนั้นอย่างสุดสงสารแล้วจึงสั่งลูกสาวคนโตว่าอ้ใหญ่ไปเอาลูกประครบมาประครบตามเนื้อต่าตัวให้อาตีอีหน่อยอาซุนนี ไปเอายาต้มมาถ้วยหนึ่งเตียจะให้อีกินยาใครนาเตียทำไมอีถึงนอนนิ่งอย่างนั้นอีตายหรื อ, อยังเด็กหญิงสุนีวัยแปดขวบถามลูกดุกทั้งเก้าคนพากันมานั่งล้อมวงดูคนเจ็บเตีก๋ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีเป็นใครพายเรือผ่านมาเห็นอีถูกรุมซ้อมก็เลยไปช่วยแล้วผานมาที่นี่ นายหมั่นบอกลูกสาวใครที่ไหนมารุมซ้อมอิลเตียก็ไอ้พวกเด็กวัดตโนธนั่นไงมีพระแก่ๆยืนวงการอยู่เด็กก็โลยชีหน้าด่าไปแล้วไอ้คนเ่งสวยพันนั้นมาเป็นพระได้ยังไงก็ไม่รู้ทำให้เสียราศีพระศาสนาหนุ่มใหญ่วัยห้าสบสองบ่นอุบแล้วมันจำหน้าเฮียได้หรือเปล่า ระวังมันจะมาดักรุมทำร้ายเฮียเขาสักวันแม่พันุพูดอย่างเป็นห่วงสามีมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกบ้านเมืองมีคือมีแปรแต่ฉันว่าเฮียน่าจะไปแจ้งกำนันไว้ก่อนนะเพื่อมันเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้เบาแสแม่พันุพูดอย่างรอบคอบดีเหมือนกันไว้ให้อติเอาหายซะก่อนเฮียจะพาอีไปบ้านกำนัน สงสารอีจังลูกเต่าเราใครก็ไม่รู้ดูหน้าตาผิวพรรณอีคงเป็นลูกผู้ดีนะเกิดอีเป็นลูกเศรษฐีพวกเราก็สบายนะสิจริงไมมเตียเด็กหญิงสุนีพูดขึ้นสบายยังไงเจ้ใหญ่ถามน้องสาวอา้าวกับพ่อแม่อีจะได้เอาเงินมาให้เราเราก็จะได้หายจนยังไงละ่ะ เด็กหญิงอธิบายอ๋อนี่หรือจะรวยด้วยวิธีแบบนี้หรือแต่เตมไม่เห็นด้วยหรอกนะเราช่วยใครก็อย่าไปหวังผลตอบแทนช่วยแล้วก็แล้วทาความดีอย่างหวังผลตอบแทนแต่จงทำความดีเพื่อความดีปุรษวัยห้สิบสองสอนลูกแต่ความดีทำให้เราจนนะเตียสุมนเห็นเตียทาแต่ความดี แล้วก็สอนพวกเราให้ทำด้วยเราก็ไม่เห็นร่ำรวยขึ้นมาสักทีคนที่เขาทำความชั่วกลับรวยเอารวยเอาเด็กหญิงสุมลวลวัยเก้าขวบพูดตามภาษาเด็กแก่แดดจริงอย่างที่สุมนลอีพูดนะเตีย่ยยิ่งเราทาความดีเราก็ยิ่งจนหรือเจ๊ใหญ่ว่ายังไง นางสาวสายชนคนรองจากเจ๊ใหญ่ออกความเห็นผูกลือพากันเป็นบ้าไปหมดแล้วหรือทำไมต้องคิดว่าความดีกับความร่ารวยเป็นอย่างเดียวกันมันคนละเรื่องอาใหญ่หรือรีบเอาลูกประครบมาประครบให้อาติอีเร็วๆเข้านายหมันบอกลูกสาวนางสาวใหญ่วัยยี่สิบสามที่น้องๆเรียกกันว่าเจ๊ใหญ่ จึงนำลูกประครบซึ่งเป็นผ้าสี่เหลี่ยมหอยาสมุนไพรขนาดเท่ากําปั้นมาประครบตามรอยฟกช้ำตามหน้าตาเนื้อตัวให้หนุ่มน้อยที่นอนไม่ได้สติแวดล้อมด้วยลูกๆในหมันเมื่อได้สัมผัสกับลูกประครบอุ่นจัดจนเกือบร้อนคนที่นอนสลบสไลดก็รู้สึกตัวละเมอออกมาว่า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 นั่งมองเขาหน้าสลอนครั้นกวาดสายตาไปรอบๆก็พบกับใบหน้าเต็มไปด้วยความปราณีของหญิงชายวัยกลางคนซึ่งเขาเดา ว, ว่าคงจะเป็นมารดาบิดาของพวกเด็กๆที่ห้อมล้อมเขาอยู่นี่ผมอยู่ที่ไหนครับเขาขยับจะลุกขึ้นหาก็ลุกไม่ไหวด้วยรู้สึกขัดยอกไปทั้งตัวไม่ต้องลุกอาตีหรือไม่สบายมาก อย่าเพิ่งขยับขยื่นนอนเถยเยไว้ก่อนจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับลือ้อ น, น้อยหลับตานึกลำดับเหตุการณ์ว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับเขานึกมาถึงตอนจะถูกจ้วงแทงเขาก็ร้องลั่นเอามือปิดหน้ายายจา๋าช่วยผมด้วยเด็กหญิงสุมนจึงตีแขนเขาเบาๆ ส่วนเด็กชายเล็กๆสามคนนั่งทำหน้าเหลือเฮีย er, เป็นอะไรไปอีกล่ะเด็กหญิงสุนีถามหนุ่มเจริญใช้มือคลำตามหน้าตาเนื้อตัวแล้วพูดขึ้นว่านี ee, ่ผมยังไม่ตายหรอกหรือแล้วผมอยู่ที่ไหนกันหรืออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอตินอนให้สบายเถอะรับรองไม่มีใครมาทำอะไรหรือ ใช่ไว้กลางคนบอกเขาผมมาที่นี่ได้ยังไงครับหรือว่าคุณลุงพาผมมาถามงงๆถูกแล้วลุงเห็นลือถูกรุมเลยไปช่วยไวทันไอ้หมอนั่นมันกำลังจะแทงลือลุงเลยฉุดข้อมือลือลงเรือมานี่ท่านลุงมาไม่ทันหรือคงแย่แน่เลย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 ไม่เป็นไรหรอกอาตีคนเราก็ต้องช่วยเหลือกันเอาละ่ะกินยาสิก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวต้มร้อนๆอาสุนีส่งถ้วยยามาให้เตียทีซิเด็กหญิงสุนีส่งถ้วยยาให้แม่ผันช่วยประคองศรีรษะเขาขึ้นขณะที่สามีป้อนยาขมจังเลยคุณลุงยาอะไรครับเนี่ยยาจีนลุงเป็นหมอจีน รับรองว่าไม่มีอันตรายได้ยินว่าบุรุษผู้นี้เป็นหมอจีนหนุ่มน้อยจึงกลั้นใจดื่มยานั้นจนหมดถ้วยจากนั้นเจ๊ใหญ่ก็นำข้าวต้มอุ่นๆมาป้อนความหิวทำให้คนเจ็บกินข้าวต้มไปสองถ้วยใหญ่ๆเอาละเดี๋ยวไอาใหญ่ช่วยเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้อติอีดด้วยเสร็จแล้วจะได้นอนพักผ่อน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 งั้นลึกก็เป็นลูกชายคุณเปี่ยมไม่ใช่ครับคุณเปี่ยมเป็นบุตรเขยท่านแต่คุณพ่อผมเป็นบุตรชายของหลวงทาราผมเป็นหลานปู่ส่วนหลานตาชื่อคุณประพจน์หลานชายหลวงทาราอธิบายถ้าเช่นนั้นลึกก็เป็นลูกชายคุณพองใช่ไหมคุณลุงรู้จักคุณพ่อผมด้วยพูดอย่างยินดีอาเฮียเป็นลูกเศรษฐีจริงๆด้วยล่ะเตีย๋ย คราวนี้เรารวยแล้วเด็กหญิงสุนีพูดอย่างยินดีครั้นบิดาทําตาเขียวใสเลยหน้าเผืดลงไปเตรียมตัวกินข้าวกันได้แล้วเดี๋ยวจะได้เข้านอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าหัวหน้าครอบครัวออกคําสั่งพวกเด็กๆจึงพร้อมใจกันลุกออกไปหาสําหรับกับข้าวยกเว้นเด็กชายเล็กๆสามคนซึ่งยังนั่งอยู่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 ถ้ากินข้าวสวยทั้งสามมือ้อข้าวจะไม่พอกินเตี๋ยมีลูกมากแล้วเราก็ไม่ได้ทำนาเราเอามะพร้าวในสวนไปนแลกข้าวตามบ้านแต่ถึงเราจะจนเราก็ใจกว้างนะเตี๋ยจะให้หุงข้าวต้มหม้อใหญ่ๆไว้แขกไปใครมาก็ได้กินเราไม่เคยห่วงเตี๋ยบอกว่าถึงเราจะจนเราก็ต้องเป็นคนดี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 แสดงว่าคุณยายของอติโชคดีพวกเราก็หวังว่าวันหนึ่งอาจจะโชคดีอย่างคุณยายบ้างเจ๊ใหญ่พูดอย่างไม่มั่นใจนะแต่ผมมั่นใจว่าต่อไปครอบครัวเจ๊ใหญ่ต้องรวยแน่ๆราใจกว้างไม่เชื่อก็คอยดูเจ๊ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนคนอื่นเขาพวกเราค่อนข้างอดอยากนะ่ะ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 เพราะคนรวยเขาก็ไม่มารักษากับเราแต่จะไปรักษากับหมอฝรั่งซึ่งเขาว่าได้ผลเร็วกว่าเจ๊ J. ใหญ่อัธิบายแล้วเจ๊ใหญ่ออเรียนหนังสือหรือเปล่าครับเรียนสิพวกเราเรียนจบปสี่เจ๊หมายถึงตัวเจ๊แล้วก็น้องที่ถัดไปอีกสองคนสายชนกับโสภาส่วนสุมลสุนีสมใจกำลังเรียนอยู่ที่วัดนก สามคนสุดท้ายเป็นชายและยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคุณลุงไม่ส่งลูกเรียนต่อหรือครับผมหมายถึงเรียนระดับมัธยมหนุ่มน้อยถามในสิ่งที่ไม่น่าจะถามจะเอาเงินที่ไหนมาส่งละ่ะแค่กินเข้าไปแต่ละวันยังไม่ค่อยจะพออีกอย่างหนึ่งเตี่ยบอกว่าลูกผู้หญิงเรียนไปก็เท่านั้นอีกหน่อยมีย่ามียเรือนก็ต้องไปเป็นแม่บ้าน แต่สำหรับลูกชายสามคนเตียวหวังไว้ว่าจะได้เรียนสูงกว่าพี่ๆถึงตอนนั้นเราคงจะเงยหน้าอ้าปากได้บ้างเจ๊หมายถึงว่ากว่าพวกน้องผู้ชายจะโตเข้าโรงเรียนบ้านเราคงฐานะดี ก, กว่านี้และเตียก็จะมีเงินส่งลูกชายเรียนสูงๆผมโก็หวังอย่างนั้นไม่รู้อะไรทำให้ผมมั่นใจว่าต่อไปคุณลุง ต้องรวยเป็นเศรษฐีนี่ผมไม่ได้พูดเอาใจนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเอาเถอะเอาเถอะถึงพูดเอาใจก็จะเป็นไรไปในเมื่อสิ่งที่อาตีพูดเป็นสิ่งดีและเป็นมงคลแต่เจว่าอาตีนอนพักได้แล้วจะได้หายเร็วๆเรียนหนังสือชั้นไหนแล้วล่ะมัธยมศีครับผมจบมัธยมสามมาจากบ้านนอกอ้าว อยู่บ้านนอกห ร, อหรือจังหวัดอะไรล่ะสิงบุรีครับเจ๊ะจะไปเที่ยวก็ได้ผมอยู่กับคุณยายบ้านช่องยายโตโอโถงพูดไปแล้วก็ให้นึกเสียใจเพราะดูเหมือนว่าเป็นการเปรียบเทียบกับกระท่อมน้อยกลางสวนหลังนี้เคยอยู่บ้านใหญ่โตแล้วต้องมาอยู่กระท่อมเล็กๆอย่างนี้ก็อึดอัดหน่อยนะเจ๊ใหญ่พูดเรื่อย